ต้นไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเลภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นต้นไม้ใหญ่นั้นซึ่งลอยมาโดยกระแสะแม่น้ํำคงคาหรือไม่ได้เห็นแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกราบทูลภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้นั้น จะไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในหรือฝั่งนอกไม่จมเสียในท่ามกลางน้ำไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำว น, วนวนไว้ไม่ผูเน่าเสียเองในภายในไสท่อนไม้เช่นที่กล่าวนี้จักลอยไหลพุ่งไปสู่ทะเลเพราะเหตุว่า ลำแม่น้ำคงคานนอโน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่ทะเลข้อนี้ฉันใหญ่ภิกษุทั้งหลายแม้พวกเธอทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งในไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอกไม่จมเสียในถ้ำกลางไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอนมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ไม่ผูเน่าเสียเองในภายในไซสพวกเธอก็จะเคลื่อนไหลไปสู่นิพพานเพราะเหตุว่าสัมมาทิฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมลุ่มลาดเอียงเทไปสู่นิพพานครั้นกระแสพระดำรัสแล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเล่าเป็นฝั่งในหรือฝั่งนอกอะไรชื่อว่าจมในถ้ำกลางอะไรชื่อว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกอะไรชื่อว่าถูกมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกอมนุษย์จับไว้อะไรชื่อว่าถูกเกลียวน้ำว น, วนวนไว้อะไรชื่อว่าเน่าเสียเองในภายในภิกษุทั้งหลาย คำว่าฝั่งในเป็นชื่อของอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอกหกคำว่าจมเสียในท่ามกลางเป็นชื่อของนันทิราคะภายในวงเล็บความกำหนัดด้วยความเพลิดด้วยความเพลินคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศมิมาณนะ ความสาคัญว่าเรามีเราเป็นคำว่าถูกมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้รักคนด้วยพวกคฤรืหัดเพลดิดเพลิน ด, ด้วยกันเศร้าโศกด้วยกันมีสุขเมื่อคฤรืหัดเหล่านั้นมีสุขเป็นทุกข์เมื่อคฤรืหัดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานประกอบในประกอบการงานในกิจที่บังเกิดขึ้น แก่คฤหัสถ์เหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกอมนุษย์จับไว้ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ประพฤืชพรหมจาร์ด้วยความตั้งโดยตั้งความปรารถนาเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งว่าด้วยสีนี้หรือวัดนี้หรือว่าด้วยตบานี้ เราจักได้เป็นเทวดาผู้มีศักดิ์าใหญ่หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดิน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ภิกษุนี้เราเรียกว่าถูกอมนุษย์จับไว้คําว่าถูกเกลียวน้ําวนว น, วนไว้เป็นชื่อของกามคุณหภิกษุผู้เน่าเสียเองภายในคืออย่างไรเล่าคือภิกษุบางรูปในกรณีนี้เป็นคนทุศีล มีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย พิกษูนี้เราเรียกว่าเป็นผู้เน่าเสียเองในภายในแหลทั้งหมดที่พทธเจ้าตัดไว้นะครับถ้าท่านบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาคอยยึดเอาไว้เนี่ยท่อนไม้เนี่ยจะไหลออกไปสู่ทะเลเลยก็คือสู่พระนิพพานเราลองมาดูแต่ละข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราโดนอะไรติดไว้บ้าง มาดูที่ท่านให้ความหมายไว้เลยก็ได้1คือติดฝั่งในอายตนะภายในคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจ2องอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรมมารมณ์ใครชอบดูหนังดูละครติดติดอ่าเรียบร้อยอายตนะภายนอกภายในติดฝั่งนอกติดฝั่งในนะเรียบร้อยล ะ, ะชอบฟังเพลงอ่าเสร็จเรียบร้อย facebook เรียบร้อยนะ ไปหมดฝั่งนอกฝั่งในโดนทั้งกต่ต้นเลยยังไม่ถึงไหนเลยนะครับพอเสร็จแล้วมันยังไงต่อท่านบอกว่าอันที่สามจมลงไปในถ้มกลางเป็นยังไงจมลงไปในถ้มกลางนันทิราคะนันทิราคะคือความเพลินในอารมณ์คามีราคะมันก็เพลินทําอะไรแล้วเพลินก็เสร็จมันทานข้าวอร่อยอร่อยเพลินไหมเพลิน ดูหนังดูละครเพลินไหมเพลินเล่นอินเทอร์เน็ตเฟซเพลินคือทําอะไรก็เพลินหมดนะแล้วก็ไม่รู้ตัวตอนเพลินแล้วไม่รู้ตัวแต่ตัวขึ้นแต่แปลกที่ไม่รู้ตัวตัวเต็มหมดเลยแต่ไม่รู้ตัวคนอื่นเห็นแต่เราไม่เห็นอย่างเงี้ยไอ้นี่มันน่ากลัวตรงเนี้ยอย่างที่เมื่อคืนดูโน้ตให้ข้อคิดที่ดีนะผมว่าเขาติดแต่เขากล้าเอามาด่าตัวเองได้ แม่ก็เตือนลูกน้องก็เตือนใครๆรู้หมดว่าก็ติดยกเว้นกูกูว่ากูไม่ติดแต่คนอื่นเห็นว่าไอ้อย่างนี้ไม่เรียกติดอีกเหรออย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจมลงในท่ามกลางเพราะความเพลินขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบกเป็นชื่อของอัศวมิมานะความมีความเป็นความเป็นเราความอะไรกูเก่งกูแน่ใครก็ไม่เท่ากูแล้วกูรู้นะกูรู้กูตัวกูเองทไมกูจะไม่รู้ มันมีแต่คำว่าชัดๆอยู่แล้วนี่ติดขึ้นไปแห้งอยู่บนบกเพราะฉะไม้นั้นไม่ไหลไปทะเลแน่นะครับติดหมดฝั่งในแปกฝั่งนอกแปกจมลงแปกติดแห้งแปกตั้งกับพูดมายังไม่พ้นสักอันถูกมนุษย์จับไว้เอาละนี่ท่านพูดในฐานะที่ท่านพูดให้พิสูจฟัง พวกเราตอนนี้สมมุติว่าเราก็เป็นภิกษุมาดูดูก่อนภิกษุทั้งหลายตั้งแต่วันแรกแเราเป็นภิกษุเหมือนกันเพราะเราเห็นโทษภัยในวัฏสงสารเพราะคนไปด้วยพฤกขฤหัตเอาละยังไงเราก็ต้องทํางานกรักคนันไปเพิดเพลินด้วยกันเศร้าด้วยกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันอ้าวนี่ไม่ใช่เพื่อนแท้เหรอครับ เ, เพื่อนแท้เพื่อนนะ่ะช่วยกันเพื่อนแท้นะช่วยกันกาลยานมิตรพากันไปดีๆน ถูกอมนุษย์จับไว้อันนี้ก็ไปติดเทพติดพรมติดภพติดอยากจะเป็นเทวดาเป็นอะไรอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับทําบุญเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ไปวิมานก็มาติดอนุมนุษย์จับไว้อีกนะก็บางสํานักก็เน้นเรื่องพวกเนี้นะก็โดนอามนุษย์จับไว้อย่างนี้ก็ไม่ไปหลานิพานนะครับจะไปยังไงยังปรารถนาอยู่แค่สวรรค์สมบัติรูปสมบัติอยู่เนี่ยนิพานเลยนามขึ้นไปอีกยังอีกไกลเลยถ้าอย่างนั้นนะครับ ถูกเกลียวน้ำวนไว้คือกรรมคุณห้ากรรมคุณห้ากรแทบไม่องพูดแล้วอะไรที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปติดนี่น้ำวนเลยวนดิ้วดิวดิวดิวดิวอยู่ตรงนั้นออกไม่ได้หรอกนะครับเสียไปชาติหนึ่งเลยเน่าในซะเองภิกษุบางรูปเป็นคนทุศีนนะอันนี้ก็พวกเราก็อยู่ในศีลห้าศีลแปดก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ท่านตรัสไว้ถ้า ไม่ติดอะไรเลยมันก็จะต้องไหลลงทะเลเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในมรคมีองค์กก็มาชำระพวกนี้แหละนะครับรู้สึกจะ8ดข้อมั้งในนี้นะครับคำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโคดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไร อันหนึ่งอนุสาสนีของพระโคดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอักคิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้อักขิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้ นี่คือทมที่พระพุทธเจ้าสอนมาตลอดรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงหลักสูตรนี้ทั้งหมดเราชี้ลงไปถึงก้นบึ้งแล้วนะครับตั้งแต่เห็นว่าขันนี้ไม่เที่ยงจนกระทั่งขันนี้เป็นทุกข์มีสภาพเกิดขึ้นว่างจากตัวตน เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ได้ทาที่ได้ฟังมาทั้งหมดในหกวันคือหัวใจที่เมื่อ 2,500 ปีพระบรมศาสดาก็ใช้สั่งสอนสาวกทั้งหมดเพื่อความดุดพ้นอย่างนี้เหมือนกัน6วันหวันนี้ไม่มีอะไรออกนอกทางเลยนะครับทุกอย่างพุ่งเข้าไปเพื่อสร้างความเข้าใจลงไปที่รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแล้วก็วิญญาณไม่เที่ยง จี้แล้วจี้อีกชี้แล้วชี้อีกจนไม่รู้จะทํำยังไงอีกแล้วนะครับมากเท่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วหาสื่อหาอุปกรณ์มาประคับประคองมาดันมาเอากดให้เข้าทางจนไม่รู้จะทําอะไรมากกว่านี้ไปอีกแล้วเกินกว่านี้ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับที่เหลือต้องท่านแล้วนะครับที่จะกลับไปดูรูปนามขันห้าของท่านเองให้มันรู้แจ้งขึ้นมาเองเราไม่ได้มาฟังท่านเพื่อให้เชื่อตามท่านให้เห็นเหมือนท่านเห็น แต่เมื่อตรัสรู้จะเข้าไปเสมอกันด้วยวิมุตต์จะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นจะรู้แจ้งสิ่งที่ท่านรู้แจ้งรูปไม่ใช่ตัวตนก็จะขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอนัตตาธรรมเห็นไหมครับที่ผมอธิวายไว้ตั้งแต่สัพเพสังขารา อ, อนิจจาสุดท้ายท่านก็มาพูดที่สองมทัดหลังสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจากการที่วิญญาณไปดูขันอีกสีขันจึงเข้าใจว่าสังขารเนี่ยไม่เที่ยงยกเว้นตัวเขา จนกระทั่งความตั้งมั่นสูงขึ้นมาเห็นตัวของเขาเองแล้วเห็นสปปรรพสิ่งภายนอกจึงเข้าใจได้เลยว่าทุกอย่างมาจากเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยไม่ได้มีตัวตนของมันเองจึงเกิดสัพเพทธรรมมาอนัตตาขึ้นในใจเมื่อเห็นสัพเพทธรรมมาอนัตตาจนแจ่มแจ้งจะไม่สงสัยในรูปนามในอดีตอนาคตอะไรอีกต่อไป วางความยึดถือตัวเองขันห้าทุกอย่างก็จะหลุดออกหมดอุปาทานในขันเข้าสู่ธรรมอันเป็นธรรมชาติเดิมคือพระนิพพานทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เองภิกษุทั้งหลายสมมุติว่ามหาปตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำทั่วถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด ภิกษุคนหนึ่งทิ้งแอกคือไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออ ย, ยนอยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอด ล่วงไปร้อยปีร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความขึ้นข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงดูเดียวในแอก น, นั้นข้อนี้ ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าข่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคต ผู้อรหันตสำ ม, มาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำมาวิในอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกนะเอาดูตรงนี้ก่อนท่านบอกว่าโลกใบนี้มีแต่น้ำอย่างเดียวไม่มีดินเลยทาไมท่านถึงพูดอย่างนี้เพื่อให้เห็นโอกาสว่ามันเวิงวางมากๆเลย มีคนโยนไม้ไผ่เจาะรูลงไปในน้ำแล้วเต่าตาบอดด้วยร้อยปีจะขึ้นมาหายใจทีนึงด้วยแล้วขึ้นมาเอาหัวมาโดนแอกเข้าไปในรูแอกเนี่ยด้วยทั้งทั้งที่มันมีแต่น้ำอย่างเดียวคือพ๊อบออิต t y นี่ต่ำมากความน่าจะเป็นคือเท่ากับศูนย์จุดไม่รู้อีกเท่าไหร่ศูนย์ 0, ถึงจะมีหนึ่งถูกไหมครับเยะ ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่จะพึงได้ความเป็นมนุษย์คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับที่ได้มาอย่างเนี้ยนึกว่าจะได้มาตลอดรอเต่าตาบอดเอาหัวเสียบอีกทีหนึง่งถึงจะได้ไม่รู้เลยนะครับสองความยากเนี้ย คือการที่จะมีพระอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธะมาตรัสรู้ยากอย่างนั้นเลยผมว่ายากยิ่งกว่าพวกเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์อีกกว่าจะมีพระอรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะมาตรัสรูโดยยังไม่มีมรรคเนี่ยแล้วมาสร้างมรรคให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็สลายหายไป 3. เมื่อตรัสรู้แล้วโอกาสที่จะรุ่งเรืองไปในโลกก็นิดเดียวตอนนี้เนี่ย ถามว่าศาสนาพุทธรุ่งเรืองในโลกจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่มากศา ส, สนาอื่นมากกว่าเยอะของเราโดนเบียดจนเหลือนิดเดียวแล้วในนิดเดียวจะกลายเป็นเปลือกไปซะส่วนใหญ่ด้วยที่เหลือแก่นจริงๆเนี่ยเหลือเป็นจุดๆถ้าเอาเข็มหมุดปักลงไปในแผ่นที่ประเทศไทยว่าที่ไหนบ้างที่เหลือแก่นของพระาศาสนาที่เป็นอริยมรรคมีครูบาอาจารย์ที่สอนอริยาศาสตร์เพื่อจะเดินทางออกจากพระนิพพานเลยเนี่ยผมว่านับเข็มหมุดได้เลยตอนเนี้ แล้วถ้าเอามาตีทั้งพื้นโลกเอาโลกใหญ่ๆเอาลูกโลกมาแล้วจะนั่งนับเข็มหมุดเนี่ยเหลือไม่กี่เม็ดละนอกนั้นก็อะไรก็ไม่รู้ล้พุทธพาณิษ์บ้างอะไรต่ออะไรก็ไปนอกทางหมดดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากครับนี่เป็นคำตรัสของท่านเองอ่านกันอยู่เห็นเห็นอ่านให้จบภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้ว าคตผู้อหรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นแล้วในโลกและท ร, รมาวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกขนี้เหตุให้เกิดทุกขนี้ความดับทุกข นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิด ก, ก็ฟังพุทธพจน์สลับบ้างนะครับซึ่งแต่ละข้อแต่ละข้อก็ก็ล้วนชี้ให้พวกเราไม่ประมาทนะครับไม่ได้ทำให้พวกเรากลัวอะไระเพราะพวกเราก็เดินทางกันอยู่แล้วก็เต็มที่อยู่แล้วก็เพียงแต่ไม่ประมาท แล้วก็จะได้มั่นใจในเส้นทางที่ตัวเองกําลังเดินอยู่แม้แต่คำง่ายๆรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสวดมนต์ก็สูวนนส้วัดโซว์อยู่ทุกวันแต่กลับไม่เคยคือกลายเป็นอยู่ในหนังสือหมดอยู่ข้างนอกจอหมดโอ้ยได้ยินมันเยอะแล้วพอแล้สอนเรื่องที่มันยากๆเล <c oughs> <c oughs> เอาแบบจิงๆมาเลยไ ม, ไม่อันนี้เขาวข่าไตาลักไม่ต้องคุยแล้ว ฟังวันนันกับเด็กแต่ไม่เห็นนี่เจ๋งๆอยู่เนี่ยนะมีแค่เนี้ยอ น, นิจจังทุกขังแล้วก็นัตตาเนี่ยแหละแล้วก็จะเห็นขันห้าเนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงแล้วจิตจะปล่อยปล่อยก็นิพพานแล้วนี่แหละเจ๋งเจ๋งกว่านี้ไม่มีแล้วไม่มีเจ๋งกว่านี้ไอ้ที่เปิดมาห้าวันหกวันก็บีบมาให้อยู่ในนี้แหละไม่มีออกไปนอกนี้